หมวดที่สองกษุทั้งหลายสงฆ์ไม่พึงระงับตัดชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ต้องอาบัติที่เป็นเหตุให้ถูกสงฆ์ลงตัดชนียกรรม 2. ต้องอาบัติอื่นทำนองเดียวกัน 3. ต้องอาบัติที่เลวทามกว่านั้น 4. ตํตำหนิกรรม ห้าตำหนิภิกษุผู้ทากรรมภิกษุทั้งหลายสงฆ์ไม่พึงระงับตัดชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แล